สามเณรแล้วก็ศิลจารินีวันนี้เป็นวันที่พ่อแม่ของเราเนี่ยนะหรือว่าโยมพ่อโยมแม่เนี่ยรวมทั้งปู่ย่าตายายเนี่ยที่มาด้วยมีความสุขมากนะหลายท่านเนี่ยสุขภาพจะไม่ดีนะเพราะว่าชราแล้วแต่ก็อุตสานั่งรถนะมาเป็นวันนะเพื่อจะได้มาเห็นภาพนี้ในวันนี้ ทำไมยมพ่อยมแม่หรือว่าปุญาตายายเนี่ยถึงมีความสุขมากนะที่ได้เห็นภาพของพวกเราในวันนี้ไม่ว่าจะห่มเหลืองหรือห่มขาวก็ตามเพราะว่าท่านอยากจะให้เราเนี่ยมีคุณสมบัติสมอย่างนะคือเก่งดีแล้วก็มีสุขนะสามอย่างเนี่ยนะเราก็คงได้ยินมาแล้วนะในโรงเรียนของเราก็จะพูดว่า เก่งดีมีสุขนะคือจุดมุ่งหมายที่อยากให้นักเรียนเป็นนะบางคนอยากให้ลูกเก่งนะปิดเทอมก็พาไปเรียนพิเศษนะไปโรงเรียนกวดวิชาสถาบันติวเตอร์เนะี่ยเสียเงินเยอะแยะนะแต่ว่าหลายท่านก็เลือกที่จะพาพวกเรานะมามาเรียนพิเศษที่นี่นะที่ว่าป่าสุกโตที่นี่เราไม่ได้สอนวิชาการนะ แต่ว่าความเก่งมันมีหลายแบบถ้าเก่งในเรื่องนะของความรู้นะทโจทย์ตอบเลขได้นี่อันนี้ก็ทางโรงเรียนหรือว่าสถาบันกวดวิชานี่เขาทำในเรื่องนี้หรือเก่งในการสอบเก่งในการสอบเข้ามาันทะไลัยนี่ที่นี่ไม่มีปัญญาหรอกนะแต่ว่าที่โรงเรียนหรือว่าสถาบันติวเตอร์นี่เา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 นะหาทางออกไม่ได้จมอยู่กับความทุกข์นะเศร้าโศกเสียใจร้องโ h มลร้องไ ห, งห้นะอันนี้แสดงว่ายังไม่เก่งพอในเรื่องการแก้ปัญหาความทุกข์ของตัวเราต่ที่นี้เนี่ยนะเราจะมาฝึกนะให้เราเก่งตรงนี้แหละไม่มากก็ น, น้อยนะเก่งในทางวิชาการนะหลายคนก็ไม่มีความสุข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 การแก้ปัญหาในจิตใจของตนให้ได้แล้วก็ดีด้วยนะดีก็คือว่าไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วก็เอื้อเฟือเ้อเกื้อกูลผู้อื่นนะแล้วก็มีความสุขด้วยนะหลายคนจะสงสัยว่าจะมีความสุขได้ ย, ยังไงข้าวเย็ยนก็กินไม่ได้ใช่ไหมแถมเนี่ยเล่นเกมออนไลน์นะก็เล่นไม่ได้แล้วนะโทรทัศน์ก็ไม่ได้ดูนะของกินอะไรที่เคยกินได้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 แต่มีความสุขเรามาที่นี่เนี่ยนะเรามาเพื่อเรียนรู้นะมาเป็นการเรียนรู้แบบหนึ่งซึ่งโรงเรียนหรือหมหาวิทยาลัยที่เราจะได้เข้าในวันข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจบางที่พ่อแม่ก็ไม่ค่อยสนใจด้วยว่าการเรียนแบบนี้สำคัญนะก็คือการเรียนนะเพื่อให้เราเนี่ยนะสามารถจะครองตนได้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 อ่านหนังสือสอบละเพราะว่าสิ่งรอบเราเยอะยวนมันเยอะมากเกมออนไลน์ก็ดีนะหรือว่าพวกไลน์ก็ดี a c e บุ๊กก็ดีโซเชียลมีเดียหรือว่าความบันเทิงตาม youtube ่งนี้มันเยอะไปหมดเลยแล้วเด็กก็เลยเนื่องจากจิตใจอ่อนแอเนี่ยพาะไม่ได้ผ่านการฝึกนะในเรื่องจิตใจก็เลยพ่ายแพ้ ไม่มีสมาธิกับการเรียนไม่มีสมาธิกับการทำการบ้านนะไปโรงเรียนก็เอาแต่ก้มหน้านะเล่นเฟซเล่นไลน์เนี่ยนี่เป็นกันเยอะนะแม่แต่ในระป๋าเฉลี่ยเวลาอยากเวลาไปไหนอยากได้โน่นอยากได้นี่โทรศัพท์มือถือ iPod iPad พดแทนที่ iPod ตโกงไม่รู้จักกันละไอแพดไอโฟนอยากได้พอไม่ได้ขึ้นมาก็ทุกนะ เพราะว่าเป็นทาตของสิ่งรอเรายาวยวนมันอยากไปหมดเลยอยากได้ทุกอย่างได้แล้วเนี่ยก็ดีใจไปเดียวๆอยากได้สิ่งใหม่กแล้วในบ้านนี้มีของเต็มบ้านเลยนะแต่ว่าไม่มีความสุขนะเพราะว่าพ่ายแพ้ต่อสิ่งรอดเรายาวยวนนะแล้วก็ที่จำเป็นตน้องมีอย่างหนคือไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุนะเช่นเพื่อนก็จะมาพูดไม่ดีกับเราเขาจะ มารังแกเรานะเราก็ไม่โกรธเราก็ไม่โกรธเวลาพ่อแม่เขาตักเตือนเรานะเราก็ไม่ทุกนะไม่รู้สึกขุนเคืองใจนะ <foundational. S 1> เพื่อนเขาอาจจะต่อว่าเราทาง Facebook เราก็นะไม่มโมโหไม่กดไลค์ก็เฉยอนะ่ไม่ใช่บอกพอไม่กดไลค์โอ้โหเป็นทุกข์มากเลยต้องไปบอกเพื่อนเพื่อนทางไลค์บอกช่วยกดไลค์ฉันหน่อยในเฟซบ o ๊กเนี่ย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 ร้องโหยหร้องไห้บางคนขนาดหนังนะน้อยเนื้อต่ําใจมากค่าตัวตายเลยเนี่ยอันนี้จิตใจอ่อนแอเพราะว่าไม่ได้รับการฝึกฝ น, นะนแต่ถ้าเราฝึกฝนดีนะเออรูอร้จักครองตนได้นะเจอปัญหาแบบนี้ในจิตใจก็ปรับใจได้รู้จักแก้ทุกข์ในจิตใจของตัวอันนี้เนี่ยนะมันต้องฝึกตั้งแต่แหละตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่ในวัยของพวกเรานี่แหละต้องฝึกแล้วนะ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 ที่ดีที่ประเสริญนี่มันไม่ต้องแ บ, บมือขอแต่ลงมือทําเลยนะลงมือทําทําความดีนะฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนนะหรือว่าที่นี่เราจะมีอะไรให้ทําเยอะเลยนะในช่วงที่เราอยู่ที่นี่นะแม้กระทั่งการทําครัวเองทอแม้กระทั่งการทําหนังสือทอมือเองหนังสือทํามือเองเรามีอะไรทาเยอะเพื่อจะพบว่าโอ้ย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 นะแต่ไม่ใช่มากง่ายนะหมายถึงความเรียบง่ายกินง่ายก็เหมือนกันหมายความว่าเราได้อะไรมาเราก็กินนะเท่าที่มันจําเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพถ้ามาไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนี่เราก็ปฏิเสธได้นะหรือว่าเราก็ไม่เอานะเราไม่ขอนะเราไม่ขอตอนเด็กตอนที่ก่อนบวชเราอาจจะขอพ่อขอแม่ขอปู่ขอย่าขอยายนะ เอพิซซ่าเอาแฮมเบอร์เกอร์เอาไอติมเอาช็อกโกแลตมาให้นะแต่เมื่อบวชแล้วนี่นะเราต้องมีต้องถือว่าเราเป็นผู้สละแล้วนะปรับพัชชาการบวชมาก็ปรับพัชชาแปลว่าสละก็สลันะความหรูหราความผุ่งเฟือยสละกความมีกระตัวนะถ้าเราสละกกิเลสได้มาเท่าไหร่ก็ถือว่าเราเป็นนักบวชนะที่น่าภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาอยู่ง่าย กินง่ายไม่ใช่เพื่อเราจะได้ไเปเบีเเยดเบียนญาติโยมเท่านั้นนะแต่เพื่อประโยชน์ของตัวเราเองด้วยเพราะว่าถ้าเราอยู่ง่ายกินง่ายเนี่ยอะไรอย่างหนึ่งที่มันจะง่ายตามมารมนะูมั้ยนะเมื่อกี้ก็ได้พูดไปบ้างแล้วอยู่ง่ายกินง่ายเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือสุขง่ายสุขง่ายนักเรียนเดี๋ยวนี้สุกยากนะคนสมัยนี้สุขยากนะนน ก, นะกินอาหารแค่ กินอาหารธรมธรมดาธรรมดาตุ๋นเตี่ยวชามหรือว่าข้าวแกงชามเนี่ยไม่มีความสุขนะต้องกินของหรูนะไอติมเนี่ยต้องกินบาทสองบาทนี่ไม่ได้ต้องกินถ้วยละเป็นร้อยกาแฟนี่นะต้องกินทุกกาแฟถ้วยละเป็นร้อยสองร้อถึงจะมีความสุขนะบางคนนี่หนักกว่านั้นนะอันนี้เรียกว่าเป็นพ่ออยู่ยากกินยากความสุขมันก็เลยยากตามไปด้วยเรามาที่นี่เนี่ยเราจะมาฝึกว่า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 เพราะว่าเจอความเยเจออุปสรรคเจอปัญหาเราก็ไม่ท้อไปที่ที่มันลำบากเราก็ไม่หวั่นไหวเรายังมีความสุขได้นะเราทำให้เรามีกาลังเนี่ยที่จะทำงานนะไม่พ่ายแ พ, ยพย้ต่ออุปสรรคพอสูงง่ายเนี่ยมันก็สาเร็จง่ายนะสำเร็จง่า ย, นะ ส, ำายสำเร็จในทั้งในเรื่องการเรียนทั้งในการทำงานนะเพราะว่าเมื่อเรา มีความสุขแล้วเนี่ยมันมีความเพียรมีความสุขที่ได้ทำนะมีความใฝ่ ร, ร, ฝรู้สู้สิ่งยากคนเราเนี่ยถ้าใฝ่รู้สู้สิ่งยากเพราะว่ารู้ก็มีความสุขนะสู้สิ่งยากนะมันก็มีความสุขมันก็สำเร็จได้ง่ายเนะฉะนั้นเนี่ยที่เรามาเนี่ยนะเรามาช่วงสามอาทิตย์เนี่ยอย่างที่หลวงพ่อบอกนะก็คือพวเร า, รามาเรียนพิเศษนะแต่เรียนพิเศษแบบไม่เหมือน ที่เขาเคยเรียนกันนะมันพิเศษจริงๆนะเพราะว่าเรามาเรียนวิชาชีวิตนะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะครองตนนะแก้ปัญหาของตัวนะแล้วก็สามารถจะ อ, อยู่และทำสิ่งดีงามได้อย่างมีความสุขเป็นพราะเราจะได้มาพบสิ่งดีๆพ่อแม่เนี่ยยมพ่อยมแม่ รวมทั้งญาติผู้ใหญ่จึงมีความสุขนะที่เห็นเรามาบวชไม่ว่าบวชเนหรือว่าบวชศีลจารืนีก็ตามเพราะเราได้มาโชคดีนะเพราะว่ามีคนเรียกว่าเป็นพันเป็นหมื่นนะอยากจะบวชรู้ดูริอ้อนอยากจะบวชแต่บวชไม่ได้บางคนติดเรียนบางคนติดซ่อมบางคนพ่อแม่ไม่มีศรัทธาหรือพ่อแม่กลัวลูกลําบากนะลูกนี่ปืนเหมือนกับไข่ในหินเลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหินนะ จะให้ลูกมาลําบากนะพราะเข้าใจว่าการมาบวชเนร น, นะหรือบวชสีเนี่ยนะมันลําบากนะคิดว่ามันเป็นการทรมานทนไม่ได้นะที่จะเห็นลูกห่างจากอ้อมอกของตัวหรือทนไม่ได้ที่จะเห็นลูกมานะกินแค่วันละสองมื้อเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาอยากมาแต่เขามาไม่ได้เพราะพ่อแม่ไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมบางคนมาแล้วเนี่ยคลองจีวารและบอกว่าเพิ่งมาพบว่าอายุไม่ถึง9้าขวบนะหมดสิทธินะ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 วิถีปฏิบัตินะเช่นการตื่นการนอนเนี่ยโอ้โหตื่นตีสามครึหรือเปล่าเนี่ยหรือตื่นสะ4่สีนะการนอนนะลำบากแต่จริงอยู่ไปอยู่ไปนะความลําบากมันจะกลายเป็นความสบายเพราะเริ่มคุ้นเคยอดทนหน่อยนะเพราะว่ามันจะมันจ ะ, ม, นจะมันจะลำบากหรือว่ามันจะรู้สึกติดขัดเนี่ยช่วงสามวันแรกโดยรวมทั้งเรื่องการคลองผ้าด้วยนะ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 ไม่ใช่อื้อเฟือเฉพาะเพื่อนศีลหรือว่าเพื่อนเนนเท่านั้นแต่บางทีก็เอื้อเฟือไปถึงพี่เลี้ยงด้วยอันนี้หัวใจเธอใหญ่มากน ะ, ะเราจะเจอแบบนี้อยู่บ่อยๆนะซึ่งเป็นบทเรียนที่ดีนะที่ทำให้คนอื่นๆเนี่ยเขาได้เกิดความเสียสละเกิดความมีน้ำใจด้วยต้องย้ำนะว่าเนี่ยบวชเนเนี่ยหรือว่าบวชศีลก็ตามเนี่ยนะใจเราต้องใหญ่ขึ้นนะใจเราต้องใหญ่ขึ้น นะแม้แม้ว่าจะเป็นผู้หญิงแม้ว่าตัวจะเล็กก็ตามน ะ, ะสหรับยมพ่อยมแม่ก็ต้องเข้มแข็งเหมือนกันนะการบวชเนรนี่ไม่ใช่ว่าลูกของเราต้องเข้มแข็งอย่างเดียวเราก็ต้องเข้มแข็งด้วยยอมให้ลูกเราเนี่ยนะมาใช้ช่วยที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าบางทีต้องเจอความลำบากบ้าง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 เด็กที่เขาเล่นกับดินเล่นกับทรายหรือเล่นน้ําคลองเนี่ยเขาจะมีร่างกายสุขภาพที่ดีมากเพราะว่าเขาได้เชื้อโรคนะจากการสัมผัสดินน้ําในชีวิตประจําวันสุขภาพก็ดีร่างกายเข้มแข็งเป็นโรคแพ้น้อยเด็กสมัยนี้เนี่ยเจอเชื้อโรคน้อยนะเพราะว่าพ่อแม่อนามัยมากไม่เคยสัมผัสดินไม่เคยสัมผัสทรายเพราะกลัวมีเชื้อโรคเพราะกลัวว่าลูกกลายเป็นเด็กที่อ่อนแอเพราะว่า ไม่เคยร่างกายไม่เคยสัมผัสเชื้อโลกเลยนะเราต้องให้ถ้าเราต้องการลูกเราเนี่ยมีร่างกายที่เข้มแข็งนะก็ต้องให้ร่างกายมันสัมผัสกับเชื้อโลกบ้างภูมิคุ้มการร่างกายมันถึงจะถูกเรียกว่ากระตุ้นให้กระชุ่มกระชวยนะอันนีร้ร่างกายฉันใดจิตใจก็ฉันนั้นนะจิตใจจะมีสุขภาพดีเนี่ยเข้มแข็งก็ต้องเจอกับความทุกข์ควา ม, วามยากความลำบากบ่อยๆนะ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 ฉะนั้นมาที่นี่เนี่ยนะลูกของเรามาที่นี่เนี่ยเขาจะได้มาสร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ความยากลาบากด้วยการที่เขามาลองมาเจอความลําบากบ้างนะแล้วเขจิตใจเขาจะเข้มแข็งขึ้นแล้วเขาจะกลายเป็นคนที่เรียกว่าทั้งเก่งด้วยแล้วก็ดีด้วยมีสุขด้วยนะเป็นสุขที่ไม่ได้อิงวัตถุเป็นสุขที่ไม่ได้เกิดจากการแบรมือขอนะหรือว่าดิดนล่นกระเสิกระสนที่จะให้มีให้ได้โนนให้ได้นี่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 หลานของเราเนี่ยนะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีนะเก่งด้วยดีด้วยแล้วก็มีสุขด้วยนะเอาก็คงจะได้พูดกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะก็สำหรับวันนี้นะก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะ